เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทำใจให้แน่วแน่มีสติระลึกเข้ามาที่กายที่ใจอย่าระลึกไปทางอื่นในระลึกเข้ามารู้ อยู่ที่กายอยู่ที่ใจถึงสมกับว่าโอปัญนนยิโกโนมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงชี้เข้ามาหากายหาจิตนี้เอง ไม่ได้ที่ไปที่อื่นเพราะคนเรามันหลงตัวเองมันไม่ตื่นเพราะองค์เจ้าจึงได้ทรงตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะให้ระลึกเข้ามาหาตัวเองมากรวดตัวตนของตอน กว ด, ดูกายกายเป็นอย่างไรกายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนก็มาเตือนจิตให้กําหนดรู้กายอันนี้ ตามความเป็นจริงแล้นี่ก็มารู้จิตอีกทีหนึ่งจิตนี่มันเห็นแจ้งในกายนี้หรื อ, อยังหรือมันไม่ยอมพิจารณาร่างกายอันเนี้ยส่วนมากมันไม่ค่อยยอมพิจารณากันมันอยากจะส่ง จิตนีไปทางอื่นโน้นเหตุนั่นแหละมันถึงค่อยพ้นจากขันห้านี่ไปไม่ได้เพราะไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นโทษของขันหาน้าการที่บุคคลจะพิจารณาขันห้าได้ก็เพราะจิตมันหยุดนิ่ง เมื่อทำจิตให้หยุดนิ่งได้แล้วไม่อยากรู้มันก็รู้เรื่องของขันห้านะเพราะมันมันอยู่ด้วยกั น, นจิตก็อาศัยขันห่านี้อยู่ขันห้าก็อาศัยจิตทอยที่ทอยอาศัยกันถ้าไม่มีจิตนี่ขันห้าก็ไม่มี ถ้าไม่มีขันห้าจิตก็ไม่มีแต่ว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอาการของจิตก็ว่าได้เพราะว่าจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้สมมุติกันขึ้นมา ว่านั่นรูปนั่นเวทนานั่นสัญญาสังขารวิญญาณที่แรกก็เกิดจากดวงจิตของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเพราะองค์ตรัสรู้แจ้งทรงตรัสรู้แจ้งว่าอาการของจิตที่จิตมันยังหลงยึดหลงเถือโย ก็ได้แก่อาการทั้งห้านี้เองมันยังปรงยังวางไม่ได้มันยังถือว่าเป็นของเราของเขาอยู่ดังนั้นมันถึงได้มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นบางทีก็หลงไปทำบาปเข้า <c oughs> บาปปันพันนำไปสู่นรกอาบายภูมิไปทนทุกข์ทรมาน อ, อยู่ในนรกนู่นไปความหลงขันห้าใช้ขันห้าไปทำความชั่วใช้ขันห้ามันไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท ดื่มสุรามีไรกัญชายาฟิ่นเฮโรอีนมูนี่มันล้วนแต่มันหลงขันห้านี่ทั้งนั้นแหละมันถึงได้ใช้ขันห้านี้ไปทำความชั่วเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งก่อนคนทั้งหลายพระองค์เจ้าจึงมาทรงสแสดงธรรม แนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นโทษอของการกระทําทั่วห้าประการนั้นด้วยตนเองอ<ม>ให้เห็นโทษโดยตนเองถ้ามันไม่เห็นโทษโดยตนเองแล้วมันละไม่ได้เลย ม, มันก็ยังพอใจทําอยู่อย่างนั้นแหละแม้ผู้อื่นจะ แสดงให้ฟังชี้แจงให้ฟังอย่างไรถ้าหากว่าคนนั้นไม่เห็นด้วยแล้วมันก็ไม่ทำตามนะมันก็ไม่ละเว้นนะดังนั้นจึงสมกับพระธรรมคุณบทว่าสันฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเอง<ม>ก็ อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้ฟังคําสอนของพระติเจ้าแล้วก็น้อมเข้ามาภายในใจมาพิจารณาอยู่ในภายในนี่มันก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองได้ถ้าไม่น้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ภายในปัจจุบันนี้แล้วมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นแจ้ง ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำใจให้สงบทำใจให้ตั้งมั่นก็เพื่อความรู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เองเนี่ยการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไป <c oughs> ไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตนี้ถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะไม่รู้อะไรความจริงนะรู้ก็รู้ไม่จริงนะเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันเลื่อนลอยเพราะมันรู้ไม่จริงนั่นแหละมันจึงละสิ่งที่ควรละก็ละไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่ควรบาเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมันก็บาเพ็ญ ให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่ไม่ได้เพราะไม่เห็นแจ้งเช่นไม่เห็นแจ้งว่าไม่เห็นแจ้งในศินอย่างนี้นะว่ารักษาศินนี่มีคุณมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรอย่างไรก็ไม่รู้แจ้งมันก็ไม่รักษาศินให้บริสุทธ เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แจ้งในสมาธิหมายความว่ารู้ผลแห่งสมาธิว่าเมื่อทาจิตให้สงบแล้วมันจะมีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเองอย่างไรอย่างนี้นะมันไม่รู้มเมื่อไม่รู้ก็ก็ไม่ประสงค์จะทำจิตให้สงบแหละ ไม่ผากเปลี่ยนและไม่รู้ว่าเมื่อตนเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรมันก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะไม่รู้จริงในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละจึงไม่ขยันมันเพียนคนเราน่ะ ถ้ารู้ร่วงหน้าอยู่ว้างอย่างนี้มันก็ขยันมันเพียนทีเดียวเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนั่นนี่เมื่อเขารู้ว่าทำงานอย่างนี้นี่มันจะได้ผลอย่างนั้นมันจะได้เงินได้ทองมาใช้เรื่อ น, นี้มันก็ขยันทำถ้ารู้ว่าการทำงานอย่างนั้นนี่ ดับไม่ได้ผลคุ้มค่ามันก็อ่อนใจแล้วไม่อยากทำ อ, อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนมองไม่เห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วมันก็อ่อนใจะไม่อยากทำเลย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยใหพากันพิจารณาให้ดี ก่อนอื่นก็ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่แหละคำว่าตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่าตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในคุณเพื่อนยางว่ามาพิจารณาว่าตนเนี่ยมีสินไม่ได้ทำบา ตรวจดูอาการกายวาจาตลอดถึงดวงจิตก็ไม่คิดที่จะทำบาปเลยสํารวมอยู่ในสิกขาบทที่สมทานมาแล้วด้วยดีตลอดมาอย่างนี้นะพอมาเพ่งดูความประพฤติเกี่ยวกับศีลอย่างว่านี้แล้วเห็นชัดในใจแล้วใจมันก็มั่นอยู่ในคุณของศีล น, นั่น ว่าสินนี่แหละจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดหรอกผู้นั้นก็ตั้งใจรักษาสินเหละยแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของการไม่สำรวมในสินเมื่อเมื่อสำรวมในสินแล้ว ก่แลตัณหาสารพัดมันก็เกิดขึ้นในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ปลูกพืชลงในดินแล้วไม่อ้อมรู้ไม่ฉีดยากันมแมลงอย่างนี้นะอัวควคยอะไรมันก็ไปเหยียบไปย่ำกัดกินแล้ว ศัตรูเพื่อต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นกัดกินเจ้าของผู้กูก็จะไม่ได้รับผลเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยคนเราเมื่อทำความดีเข้าไปแล้วไม่ระวังความชั่ววันนี้นะไม่กีดกันความชั่วเวลาทำความดีก็ทำไป เวลาทําความชั่วประกอบทำมันนี้แบ่งกันทําแบ่งเวลาทําห็นไปอย่างนี้แล้วความชั่วนะมันเป็นเหมือนกับศัตรูพืชนันเองนะอืเหมือนอย่างตัวหนอนที่มันกัดกินยอดผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่มนุษย์ปลูกขึ้นมาเนะี่ย บ, บาปอกุศลก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อบุคคลกระทาลงไปแล้วมันย่อมมีแต่จะแทรกแซงความสุขความสงบจิตใจวะเนี้ยมาปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมาส่งเสริมความโลภความโกรธให้นานแน่นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อง บ, บอาปอกุศลเป็นอย่างนั้น มันไม่มีหรอกขอมันสายเดียวกันนี่มันสายเดียวกันมันก็ส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่พอใจในการฆ่าสัตว์อย่างนี้นะเมื่อมันพอใจในการฆ่าสัตว์ดีนชานได้มันไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรเลยอย่างนี้ เวลามันโกรธจัดขึ้นมามันก็คิดฆ่ามนุษย์ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้น<ม>เพราะว่าบุคคลพวกนั้นเป็นผู้ส่ ง, ส, งส่งเสริมความโกรธให้หนานแน่นขึ้นในใจไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจ<ม><ม>เช่นนี้แหละมนุษย์เรามันถึงได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันได้ ดังนั้นนะมันก็ต้องให้เข้าใจอย่างแสดงมานี่นะในคําสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าสักแต่ว่าฟังแล้วแล้ ว, ลวไปเลยไใ่น้อมเข้าไปคิดนึกตรึกตรองไอ้ที่แสดงมานี่ล้วนแต่ชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วให้เอาไปตริไปตรอง ให้ผู้ฟังนั้นเอาไปตรีตรองให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึง่งมือนจึงจะพอใจปฏิบัติตามได้คนส่วนมากในฟังทมแล้วฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่คิดที่จะน้อมเอาธรรมะไม่คิดที่จะจำเอาอุบายนั้น น้อมเข้าไปพิจารณาสอนใจตัวเองไม่ค่อยจะคิดอย่างนั้นเลยดังนั้นแหละบางคนนะ่ะมันจึงละความชั่วทำความดีไม่ได้ท่านผู้ใดฟังแล้วน้อมเข้าไปคิดไปตรองในใจให้มันเห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็ละชั่วทำดีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่ประมาทเพราะว่ามันมองเห็นนี่มองเห็นว่ากิเลสบาปพิมนี่มันเป็นศัตรูต่อชีวิตจิตใจของตนแท้ๆนี่ฮมันมองเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันจึงพยายามขับไล่ออกไปไม่ไม่ยึดถือเอามันไว้ ความจริงนะกิเลสปราบทมนี่มันไม่ได้เกิดเองอ่ะกิจต่างหากี่สร้างมันขึ้นมาเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาของกิเลสมันมีพิษร้ายมันก็ทำฤทธิ์ทำให้ดวงกิจเดือดร้อ น, นวนวายขึ้นมาตัวสร้างอสสารพิษมา ทำลายความสงบสุขของตัวเองนี่ต้องให้เข้าใจเอาใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ล่ะมันจะไม่รักษาจิตมันจะไม่ควบคุมจิตตัวเองไปโทษตั้งแต่เรื่องภายนอกนุ่นมายั่วให้เกิดกิเลสตัวแตอย่างนี้มันไม่ใช่ โรคเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นมันไม่ว่าอะไรมันไม่ว่ามันดีมันชั่วมันมันไม่ว่าอะไรสิ่งภายนอกยิดต่างหานี่ไปสมมุติเอาว่าเขาด่าเราอย่างนี้นะเขายกโทษเราเขาดูหมิ่นเราเขาเบียดเบียนเราออื ก็ไปสมมุติเอาเรื่องที่เขาแสดงออกอยู่ภายนอกนู่นเนาะไปเอามาเป็นของตัวเองเดร๋ยว่าไปรับเอาสมบัติของเขามาเป็นสมบัติของตัวเองนั้นะมันยังเกิดโมโหโทโสขึ้นมาแบนี้นะถ้าใครว่าอะไร ถึงเมื่อเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างนี้หากว่าตนได้พิจารณาเห็นขันห่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วอย่างนี้มันก็มันก็เตือนตนได้อืเขาไม่ได้ว่าให้ตนหรอกตนไม่มีอยู่ในขันห่านี้ขันห่าไม่ได้มีอยู่ในตนเพราะฉะนั้นอย่าไปถือเอามาเลยอเขาไม่ได้ว่าให้ตนเขาไม่ได้ด่าตนหรอก เพราะตนมันไม่มีหาตนไม่มีแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมนะ่ะรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นกายอันนี้มีแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรานี้ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่เพียงมันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่งสางๆภายนอกนูน มันรับรู้เท่านั้นเมื่อมันไม่ฉลาดมันไม่รู้แจ้งมันก็เลยยึดถือเอามาเป็นของตัวเรื่องมัน่ะดีม้ามันก็ยึดเอาชั่วมามันก็ยึดเอามันไม่รู้่ะจิตนี่แหละไม่รู้อะมันจึงหลงยึดเอานี่พอที่จะมองเห็นแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าการฝึกผลอบรมจิตเนี่ยมีคุณค่าต่อตัวเองมหาศาลฝึกให้จิตสงบฝึกให้จิตฉลาดมีปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็รู้เท่าถึงแวดล้อมตัวเองอยู่นี่รู้เท่าทั้งโครงล่างอันที่เป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้ด้วยรู้เท่าสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอก คือรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆมันนั่นมันก็รู้เท่าได้เพื่อมันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเอามาเป็นของเราดีก็ตามชั่วก็ตามไอ้ดีนั่นมันมันก็มีหลายประเภทนี่ดีบางอย่างที่โลกเขาสมมติขึ้น มันก็ทำให้เกิดราคะตัณหาความรักความใคร่ขึ้นมา อ, อย่างนี้นะถ้าไปยึดเอาดีอย่างนั้นมันก็มาเผาจิตใจให้เดือดร้อนกันแล้ววะนี้นะนเป็นงั้นชั่วก็เหมือนกันนะเสียงที่น่าเกลียดหน้าช่างโรคที่น่าเกลียดหน้าช่า ง, งต่างๆที่โลกเขาสมมติขึ้นว่าน่าเกลียดหน้าช่าง อย่างนี้ตัวก็ไปหลงสมมติเขาไปเกลียดทางไปตามความนิยมสมมุติของโลก น, นันโนีนะเรียกว่ามันไม่มันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงไปหลงไปตามสมมุติของโลกเท่านั้นเองเนี่ยมันถึงได้โลกมันถึงได้กโกรธได้หลงไปตามกระแสของโลกอันเนี้ย แต่ถ้าผูไ้ได้มาภาวนาทำใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาดูสมมุติบัญญัติของโลกอันนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองแล้วก็มันก็ไม่หลงมันก็ไม่หลงรักไม่หลงชัง ไม่หลงโกรธไม่หลงพยาบาทจองเวรรูปเสียงเหล่านั้นเลยนี่แหละความรู้แจ้งนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไอคนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ฝึกฝนตามคำสอนของพระเจ้าแล้วจิตนี่มันหลงมาอยู่อย่างนี้ในสงสารนี่นะมันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่นะมันหลง หลงสมมุติมามันจึงได้ทากรรมดีบ้างทากรรมชั่วบ้างพอโลกทางโลกอันนี้มันจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันมีทั้งสองอย่างมนนี้บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่มีปัญญาแล้วเมื่อก็ไปยึดเอาทั้งสองอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ เมื่อมันยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างแล้ววนี่ชีวิตนี่ก็หลุดออกจากวางวนอันนี้ไปไม่ได้เลยอาเอาหันทำความดีเข้าไปไอ้ความดีจะส่งชีวิตให้สูงขึ้นไปไอ้ความชั่วมันก็เหนียวไวเพราะว่าตนสร้างความชั่วไว้ด้วยนี่เรื่องมันนะมันเปน็นยังไอืสาเหตุที่มันจะพ้น จากวังวนเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้พูดง่ายๆก็เรียกว่ามันค้าอยู่ความชั่วนี่เองเนี่ยลองสันนิษฐานดูถ้าหากว่าบุคคลมาละความชั่วนี่ออกไปจากกายวาจาใจเสียแล้วก็ทาแต่ความดีไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นความดีคือบุญกุศล สติปัญญานี่มันก็ส่งเสริมจิตนี่ให้สูงขึ้นไปไให้ยึดใสถือเอาดีเอาชั่วในโลกอันนี้ทำความดีก็สักแต่ว่าทำเพื่อเป็นที่พึ่งในเวลาที่ตนยังหลุดจากหันห้าอันนี้ไปไม่ได้ ก็ทำบุญทำกุศลทำความดีเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจนี่เมื่อเมื่อตนหลุดพ้นไปจากความชั่วทั้งพวงแล้วว่านี่ไอความดีเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นธรรมของจริงไปนี่นเป็นไปอานันกลายเป็นธรรมของจริงไป ทำไมยัง่าเป็นของธรรมของจริงก็เมื่อความชั่วคือบาปกรรมต่างๆมันระงับดับไปหมดแล้วมีแต่ปุสนธรรมอย่างนี้นะเมื่อก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นจิตนี่นะรู้จักว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินไม่น่ามาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเลย นั่นมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ไม่ไม่อะไรไม่เสียดายแล้วในขันห้านี้เพราะว่าอาศัยมันมานานแสนานานแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์อันตรองจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันหานี้และ ว, วันนี้ก็มามองเห็นจิตใจที่ ยึดถือเอาความโลภความโกรธความหลงไวน้นี่มันเป็นทุกข์เอาเสียเหลือเกินนะนี่นี่แหละสาเหตุที่จะเบื่อกิเลสนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นยึดเอาความโลภไว้อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดเลย ยึดเอาความโกรธไว้อย่างนี้ใครทำอะไรไม่ให้พอใจหน่อยหนึ่งมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอา้าวจิตกระเดือดร้อนเพราะความโกรธนั่นแหละอา้าวตนเกียกครคคลานศึกษาเล่าเรียนเกียด์คลานในการตรับตรับฟังความหลงก็เข้าครอบงมจิตใจไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรละบาปก็ไม่ได้ ทำบุญก็ไม่เป็นกลยะกลายเป็นคนหลงคนไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของผู้นั้นนะเกิดมาแล้วก็หากินไปอยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเลยละความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้เหมือนอย่างคนที่ยากจนคนแค้นต่างๆหม้นั้นนะ ชีวิตก็อยู่ไปวันวันไปเฉยๆนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ก็เที่ยวหากินหาเล่นไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆนี่แล้วเมื่อหมดอายุแล้วก็ตายไปนี่แหละคนหลงคนเมาดูเอาปล่อยให้จิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกอันนี้ นี้จะตกต่ำไปเรื่อยๆชีวิตนะไม่มีทางสูงขึ้นเลยขึ้นชื่อว่าหลงแล้วล่ะมันก็หมายความว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษนี่นะเมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้อย่างเช่นเสพของเสพติดให้โทษต่างๆมีสุราเป็นต้นอย่างนี้ มันไม่รู้เลยว่าของเหล่านี้เนี่ยมันทําพิษต่อกายต่อใจอย่างไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรมันไม่รู้มันมันรู้แต่รสชาติของมันเท่านั้นเองะรู้ว่าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาแล้วมันสนุกสนานดีมันไม่ละอายในการทําอะไรพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์ ถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานตนแสดงกิริยาชั่วช้าออกไปในชุมนุมชนละ่ะอย่างนั้นแหละล้วลถือว่าตนดีตน ม, มีความดีอยู่ในตัวนั่นแหละความหลงให้เข้าใจแล้วคนอื่นเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ให้อภัยไปเขาเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันหลงมันเมา มันไม่มีสติควรให้อภัยเขาก็ไม่ว่าอะไรด่าเขาเขาก็ไม่โกรธเขายกโทษให้ไปหรอยิ่งถือว่าตนเก่งเข้าไปแล้ววันนี้นะไปยั่วบางคนเขา้าผู้มันอดทนต่อความยั่วไม่ไหวมันก็ซัดเอาซะอหวมออราไทยไปอย่างนั้นก็ยังว่าดีอยู่นี่ นี่แหละความหลงนะเห็นโทษของมันอืผู้ดใดเห็นโทษแห่งความหลงอย่างนั้นเราก็หาทางขจัดมันด้วยการฟังอคําสอนของพระพุทธเจ้าว่างโดยการเรียนการท่องการจําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ด้วยการมานั่งสมาธิภาวนา น, น้อมจิตลงสู่ความสงบแล้วมันตรีตรองให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้งเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องละความชั่วออกไปได้หมดไปหมดไปสามารถที่จะทำความดีบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตนได้สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ สามารถเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นสามารถเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นในตนได้บุคคลที่ไม่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะมันคาความชั่วนั่นเองเนี่ยมันไม่คิดที่จะลาความชั่วอันหยาบหยาบนั้นออกไป แล้วมันจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อย่างไรอ่ะอย่างว่าอย่างทาความดีได้แค่กินกินทานทานไปตามประเพณีนิยมไปเท่านั้นแต่เพียงแค่ให้ทานเท่านั้นมันกำจัดบาปอกุศลออกจากจิตใจไม่ได้เลยกำจัดไม่ได้จริงๆริมันจะกำจัดได้ยังไงแล้วตนมันทา มันเรื่อยๆไปเนี่ยไม่คิดว่าจะละมันเพราะฉะนั้นมันจะไปละบาปได้ยังไงอ่ะการให้การบริจาคทานก็ได้แก่การสละวัตถุภายนอกนู่นให้ไปอย่างนี้นะแล้วไม่สละความโกรธความพยาบาทอะไรอยู่ในใจเลยมันจะไปงดเว้นจากการเบียดเวียนได้อย่างไรเล่า เพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันพิจารณาให้มันเห็นแม้เหม็นโทษแห่งการเสพของเสพติดให้โทษสุรากัญชายาฟินเฮโรอินม่นีล้วนแต่เป็นของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ ไม่ใช่เป็นของดบของดีอะไรเลยไม่ใช่เป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอย่างนั้นไม่ใช่มีแต่ตักทอนอัตภาพร่างกายอันนี้ลงไปให้สุดโทมไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าพากันไปสนใจเลยของเสพติดโทษต่างๆ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยน้อยหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันเพราะของเสพติดนี่ถ้าหากว่าไปทดลองนินดๆหน่อยๆไปหลายครั้งเข้าไปแล้วมันติดเลืองมันอ่ะมันเบีนองนัน ถ้ารู้ว่ามังเป็นของเสพติดให้โทษอย่างนั้นเรวน้อยหนึ่งก็ไม่เอามันเลยอย่างนี้มันก็เป็นนั้นว่าเอาชนะมันได้ไปเลยไม่หวนกลับไปหามันอีกแล้วอย่างเช่นบุรี่อย่างนี้บางคนงดเว้นไปได้แล้วนอนหนึ่งเห็นเพื่อนชักชวนเข้าไปถูกกลิ่นมันหอมหวนเข้าไปก็เอาแหละขอชิมสักหน่อยหั พอทดลองไปนอนแล้วก็ติดคืนอีกแล้วอื<ม>นั่นเรียกว่ามันละไม่ขาดอืมละไม่ขาดมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปอยู่อย่างนั้นแหละ<ม>ก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองไปอยู่งั้นแหละแม้ความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันนะอ<ม>แต่พอได้ละไปแล้วเห็นโน้ตกลับไปทํามันอีก อย่างนี้มันมันก็ไม่พ้นทุกไปได้ mm hmm. น, นั่นแหละบุคคลจะพ้นทุกอบายภูมิไปได้ mm hmm. เมื่อละแล้วต้องละจริงๆละให้ขาดเด็ดไปเลย mm hmm. ถอนรากมันออกไปเลย mm hmm. อย่างนี้แหละมันยึงจะพ้นจากนรกอบายภูมิไปได้ การละความชั่วเนี่ยขอให้ละความชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วในส่วนความดีอย่างสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไปได้เลยคนที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้นั่นก็เพราะมันนี่แหละมันคาความชั่วห้าอย่างนี้มันไปทำความชั่วห้าอย่างนี้อย่างได้อย่างหนึ่งอยู่แล้ว มันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เช่นจะไปละอุปธานในขันห้าอย่างว่านี่นะมันจะเวลาได้ยังไงอ่ะอบาปอาุศลมันงวงเหนียวไว้มันขัดขวางไว้จิตใจน่มันเลื่อนลอยอ่อนแอไม่หนักแน่นอะไรเลย่ะ เมื่อปล่อยให้บาปมันครอบงำแล้วจิตนี้มันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งในการที่จะละความชั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นการภาคเปียนพยายามเพกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเรา ผู้ต้องการความสุขความสงบเ uh huh. มื่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สมประสงค์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้สักกี่ชาติก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงจะได้พบแต่ความสุขที่ไม่จริงนั่นแหละความสุขชั่วคราว ความสุขชั่วคราวนี่มันก็ลบล้างความทุกข์ไม่ได้เลยสุขชั่วคราวก็หมายความว่าเช่นอย่างว่าสุขกาด เ, เกิดจากผลบุญการให้ทงให้ทานอะไรมาแต่ก่อนแล้วผลทานมาอำนวยให้มีเงินทองเข้าของมากมายอย่างนี้นะ แลืแต่ว่าจิตใจนั้นยังโมโหโท่โศยังเป็นคนหลงคนเมาอยู่เนี่ยแม้บุคคลนั้นจะมีเงินทองทองเข้าของมากอย่างไรก็ยังละความชั่วไม่ได้เลยยังไปทำความชั่วอยู่เหมือนอย่างเช่นบางคนมีเงินมากทักถ้ากโกรธใครมาแล้ว กเอเงินไปจ้างมือปืนไปสังหารคนที่ตนโกรดนั่นแหละที่ตนไม่ชอบใจ น, นะไอ้มันตายไปเสี้ยอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเวรเวนติดตัวไปอีกแล้วความไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวร น, นะยังว่าการที่มีทรัพภายนอกนั้นผลแห่งทานเท่านั้นนะ ก็จะว่าไม่สามารถที่จะขจัดบาปอากุศลได้ต่อเมื่อมีคุณธรรมอยู่ในใจพี่เช่นมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจให้มากมากเจริญเมตตาทุกวัวนทุกคืนไปจนาเมตตาธรรมนั้นบังเกิดขึ้นในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วผู้นั้นก็ ไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนใครแบบวว น, นี้นะอืเพราะว่าเมื่อเมตตาธรรมบันเกิดขึ้นมากแล้วอย่างนี้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เมตตาแปลว่าปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขเหมือนคำ ว, ว่าทั้งตัวเองก็ต้องการมีความสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขด้วย นี่นะคำว่าเมตานะ่ะก็เมื่อมีความประสงค์อยู่ในใจอย่างนั้นอย่างแรงกล้าแล้วก็มันช่ไปโกรธใครแล้ ว, วนี่นะถ้าคิดจะเบียดเบียนใครขึ้นมามันก็ไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องตามประสงค์ตามความประสงค์ของดวงจิตที่ตั้งไว้แต่เบื้องต้นว่าเราจะต้องส่งเสริมตัวเองให้มีความสุขด้วย แล้วก็จะช่วยเหลือผูอื่นให้มีความสุขด้วยอย่างนี้นะมันก็ผิดความประสงค์นะั่นนั้นนะมันถึงไม่โกรธแบบนี้นะมันนึกถึงเมตตาเข้าไปแล้วก็ความโกรธก็หายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ พูดแล้วก็จึงว่าทำทั้งหลายทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปนะมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะแล้วแต่จิตนี่ชอบบุญมันก็น้อมไปในทางบุญทางกุศลฮะันจิตนี่ชอบบาปมันก็น้อมไปทางบาปมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษ จิตชอบกับความโกรธมันก็สร้งสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นอย่างนี้จิตชอบกับความโลภมันก็สั้งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นมาความโลภความโกรธมันไม่ใช่มันเกิดเองนะจิตสร้างมันขึ้นมาต่างหากถ้าจิตไม่สร้างสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เลย ต้องพิจารณาดูมันจะจริงไหมทีนี้จิตมาเบื่อหน่ายในความโรคความโกรธเหล่านั้นแล้วก็มาพยายามสร้างความไม่โรคขึ้นในใจอสอนใจของตนให้ยินดีในการบริจาคทานให้เห็นคุณแห่งทานการให้การบริจาค นี่ว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นมากมายมีคุณแก่ตนก็ตนก็ได้สละความตนีความหวงแหนสมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่เพราะความหวงแหนนี่แหละมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้มันพาให้ได้รับทุกข์ทนทรมานต่างๆนี่ เมื่อมาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีในการบริจาคทานไปความโลภนี่มันก็เบาไปเรื่อยๆไปเมื่อมาเห็นโทษแห่งความโกรธแล้วว่ามันก่อกรรมทำเวรให้แก่ตนและผู้อื่นมากมายนักความโกรธเนี่ยเมื่อตนสะสมมันไวแล้วมันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อเบียดเบียนผู้อื่น ให้ได้รับทุกข์ทนทรมานผลมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวเองตัวเองก็ได้รับทุกข์ในภายหลังอืมไม่ใช่ว่าโกรธมาแล้วเราไปตีไปฆ่าพวกอื่นให้เจ็บให้ตายแล้วเออล้วไปเลยอย่างเงี้แล้วไม่ไม่มีผลอะไรที่จะย้อนกลับมาหาตนไม่มีเลยไม่ใช่ะอืม ผลแห่งการการะทำนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาผู้ทำนั่นแหละมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงจิตนี้เหมือนกันกับการทำบุญก็เหมือนกันนะเมื่อทำบุญทำความดีเข้าไปแล้วผลแห่งความดีมันก็ย้อนกลับมาอำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตที่ทำจิตใจนี่ก็สบายผลแห่งความดีเมื่อมันอำนวยให้แล้ว แต่แต่ว่าความดีที่ทำไปนั่นน่ะทำเวลาใดมันก็ให้ผลทางจิตใจเวลานั้นน่ะให้จิตใจสบายเวลานั้นแต่ว่ามันจะอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุนั้นยังก่อนต่อเมื่อมันถึงพร้อมเมื่อใดนั่นแหละมันจึงอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุเช่นร่ำรวยเงินทองเข้าของอะไรต่อไร แล้วเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์โมนี่อันนั้นมันมันต้องรอการเวลาถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันให้ผลอย่างไม่ได้บุญกุศลความดีต่างๆที่ทำมานะมันยังให้ผลเป็นรูปวัตถุอย่างนั้นไม่ได้ก่อนนี่ต้องรู้แจ้งในเรื่องหมนี่นะ ถ้าผู้ใดไม่รู้แจ้งแล้ว เ, เมื่อทำความดีอะไรลงไปแล้วมันไม่เกิดผลตามเป้าหมายอย่างนี้ก็ท้อใจแล้วไม่อยากทำแล้วบางคนนะ่นทำบุญกุศลมามากแล้วภายหลังม่นเกิดความวิบัติเช่นไฟไหม้บ้านไม่ทรัพย์สมบัติอะไรวอดวายไปหมด โจรจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปหมดอย่างนี้นะเธอมาโอดควรแล้ววันนี้โอ้เอเราเนี้มมาก็ททำบุญกุศลมากมายนะทำไมบุญถึงไม่ช่วยทำบุญเท่าไรก็ยิ่งมีถึงความมีบัตไปเท่านั้นชะลอยว่าบุญที่ทำนั่นคงไม่มีผลกับมังนี่อันนี้แหละ ทำให้คนเราท้อถอยในการทำบุญแบบนี้นะเพราะมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเห็นอย่างนี้นับว่าเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอบุคคลทํากรรมอรันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเหมือนอย่างบุคคลหวานพืชเช่นใด ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้ น, นพระองค์เปรียบเทียบไว้การทำบุญทำกรรมดีกรรมชั่วนี่เหมือนกับบคคลหว่านพืชลงในดิ น, นการปลูกพืชต่งางๆนีนะ่ไม่ใช่ว่าพอหว่านลงไปแล้ววันสองวันมันได้ผลเลยอะ่ะนี่บางพืชบางชนิดนี่ว่ากันหลายปีกว่าจะได้ผลนะพวกพูดพืชยืนต้นต่งางๆ ไอ้พืชล้มลุกนี่ก็อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งสองเดือนไปนน่นแหละถึงจะได้เก็บเกี่ยวกันอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยการทำบุญกุศลในก็พุทธศาสนานี่ถ้ายังไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้เหมือนกับบุคคลหว่านพืชลงในดินอย่างที่ว่านั่นเลย ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วอ้าวแล้วทําไมมันจึงถึงความมีบัตรอย่างนี้ไอถึงความมีบัตรนั้นก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นตนได้ทําความชั่วมากรรมชั่วนั้นมันติดต่อยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นเอ ไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนทําบุญกุศลมาหรือไม่ทําก็ตามอันนั้นไม่เกี่ยวก็นึกดูทบทวนดูแต่พระมหาโมกคันลานเถิและเจ้าท่านเป็นอาคัสาวกื้องไา้ของพระศาสาดาทั้งมีฤทธิเดชยอดเยี่ยมกว่าสาวกอื่นๆเลยเป็นรองจากพระศา ส, าาสาดาลงมางพูดถึงฤทธิถึงเดชแล้ว ถึงกระนั้นยังไม่สามารถต้านทานต่ออำนาจแห่งกรรมชั่วที่ท่านทํามาแต่ก่อนน้นได้กรรมที่ได้ทุกขได้ตีมารดาให้เจ็บให้ป่วยถึงล้มถึงตายนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทั้งที่เป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสตัณหาแล้วนะทั้งมีฤทธิ์มีเดชด้วยยังยังป้องกันบาปอากุศลไม่ได้เลย บาปบาปอย่างหนักนะนั่นแหละถ้าเป็นบาปอย่างเบาเป็นลหุกรรมนี่ไม่ไม่ไม่ละเป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมกันไปแต่ละหุกรรมบางอย่างมันก็ตามให้ผลอยู่เหมือนกันเนี่ยมีอยู่ อ, อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมดนี้นะผู้ภาวนานะ่ะผู้ปฏิบัติธรรมนะจําเป็นต้องรู้อ ไม่รู้อันเรื่องบวนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปรู้อะไรวันนี้นจะไปละบาปได้ยังไงนั่นนี่เมื่อละบาปไปได้มันก็ปองก็วางขันท่านี้ไม่ได้เหมือนกัน น, ะนั่นนี่เมื่อผู้ใดามารู้จักบาปละบาปได้แล้วจิตเป็นกุศลกุศลบางเกิดขึ้นในจิตจิตฉลาดวันนี้จิตมีความรู้ความฉลาดขึ้นมา ก็ถึงได้ละบาปได้แาบนี้จึงละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นได้เพราะว่าจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นจิตที่สงบหง่งใสและเอียดอ่อนเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรมากระทบกระทั่งน้อยหนึ่งมันก็รู้ว่านี้นะ รู้ว่าเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อขันห้ามันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าก็รู้ว่าเป็นทุกข์หลายนี่ก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในขันห้านี้ขึ้นมาเออการอาศัยอยู่ในขันห้านี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ ทั้งเป็นของไม่เที่ยงด้วยทั้งต้องได้หาปัจจัยสี่มาบำุงปนเปลอมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หยุดได้ยั้งเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เที่ยงเฉยๆนะต้องหาปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้าหนุ่งผ้าโฮมที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆ อันมนี่ต้องหามาบำรุงมันอยู่เนี่ยมันจึงพออยู่ได้แต่จะบำรุงมันยังไงยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเลยมันก็ยังวิบัติแปรปวนไปอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเห็นโทษแห่งขันห้าดังกล่าวมานี่เนี่ยนี่มันถึงจะลงจะวางอุปท า, านความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้ <c oughs> เรื่องของปัญญามันเป็นอย่างนี้มันเป็นขั้นตอนไปปัญญาขั้นต้นนั่นปัญญาละบาปอากุศลต่างๆนี่เมื่อก่าวโดยสรุปใจความแล้วนะมันนี้ปัญญาในขั้นที่สองปัญญาที่รักษาความสงบของใจไว้ได้ รักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ปัญญาในขั้นที่สามเป็นปัญญาอันแหลมคมมากสอนจิตนี่ให้เบื่อหน่ายในขันทั้งห้าเบื่อหน่ายต่อความยึดความถือในขันห้านี้ว่าเป็นทุกข์หลายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็ต้องคลายความยึดความถือไปออกไปเป็นธรรมดาแหละคนเรา อย่างเช่นอาหารที่เราเผลอหลงรับประทานอาหารที่มีพิษเข้าไปพอรู้ว่าอาหารนี่มีพิษก็รีบคายทิ้งทันทีเลยใครจะไปกลืนลงไปในท้องเนะนั่นแหละถ้าไม่รู้ว่ามันมีพิษก็แน่นอนเล้มันก็กลืนเข้าไปในท้องมันก็ออกฤทธิ์แบบนี้ก็เจ็บปวดท้องอย่างแรง กัดลำไส้กระเพาะทะลุแลว้วก็ตายยาพิษไปอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นหลยเมื่อจิตใจนี่เมื่อมันไม่รู้ว่าขันห้านี่มันมีพิษอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เห็นแจ้งโดยปัญญาเล้วยมันก็ยึดถือไว้อยู่นะั่นก็เป็นทุกข์อยู่งั้นนี่ยก็เดือดร้อนอยู่งั้นตายไปแล้วก็ เอาไปหาเกิดใหม่อีกเพราะมันยังอะไรอยู่นี่มันพอใจในขันห้าอยู่กรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้นแหละมันพอใจในขันห้ากรรมมันก่อนนำดวงขีดนี่ให้ไปปฏิสนธิในขันห้านั่นขึ้นมาอีกได้ขันห้ามาแล้วกลับมาบ่นมาร้องโควนคางเป็นทุกข์กับขันห้าอยู่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่รู้แจ้ง หันหน้าตามเป็นจริงเมื่อไดแล้วก็จะต้องได้บ่นทุกบ่นยากลำบากอยู่ในสงสารไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสมควรที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติฝึกฝน จิตใจดวงนี้ให้มันสงบประ ง, งับลงไปให้ได้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจแล้วก็จะละเสียซึ่งเหตุแห่งทุกข์โดยประการทั้งปวงได้ดังกล่าวมา